ให้ตรา วันนี้นะคะเราจะได้ฟังประวัติของนักร้องที่มีแก้วเสียงดีเหมือนกันแล้วก็ฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือดวงตาคงทองกันค่ะดวงตาคงทองนะมีชื่อจริงว่าอานัตตาคงทองชื่อเล่นว่าตุ๊ ก, กตาเกิดเนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็ปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะล่วงตาเนี่ยชอบร้องเพลงมากร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆตอนปอ .3 เนี่ยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงนะแล้วก็มีอาจารย์ทวัตชัยกองศรีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนในขณะนั้นน่ะคอยให้การดูแลแล้วก็ฝึกสอนให้หลังจากนั้นเธอก็เริ่มฝึกร้องเพลงอย่างจริงจังมากขึ้น ประกวดตามสถานที่ต่างๆในวัยเพียง10ขวบเนี่ยเธอประกวดมาถึง30ครั้งดวงตาเนี่ยเริ่มเข้าวงการตอนอายุ17ปีโดยอาจารย์เฉลียวสุกโชคเป็นผู้ที่ชักนำเข้าสู่วงการเพลงแล้วก็อาจารย์ทวัตชัยกองศรีพอ อ, อ ก, ก็เป็นผู้ดูแลฝึกสอนด้วยโดยชื่อดวงตาคงทองนั้นปิมซีโฟเป็นคนตั้งให้ค่ะ ดวงตาเนี่ยเป็นนักร้องสังกัดค่ายเพลงมาแล้วหลายค่ายเพลงอาทิค่ายมหาจาก and ักรกระบือแอนโคดูไฮโซนะกระบือแอนโค Youtube Record Music D Entertainment แล้วก็เคยอยู่ค่ายเดียวกับนักร้องหลิวอาจาริยาและฝนธนาสนทรเธอเนี่ยนะคะมีผลงานแก้วเสียงที่ดี ขนาดอาจารย์แดนบุรีรัมวิจารว่าแก้วเสียงของดวงตา น, นั้นเพาะมากแล้วเรียนเสียงได้ยากมากด้านชีวิตส่วนตัวค่ะก็เคยคบหาดูใจกับอดีตนักร้องเพลงลูกทุง่งแล้วก็เจ้าของค่ายเพลงค u a ลิตี้ตอตอนหลังก็เลิกรากันไปเพลงดังๆของเพลนะมีหลายเพลงอย่างเช่นอยากเจอคนจริงใจอย่างเงี้ย หัวใจหญิงมนมนรักส้มตำสะเดาะเคราะห์ใจยอมปีนต้นงิ้วเป่าเทียนเป่าเค้กเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาฟังเพลงอยากเจอคนจริงใจนะคะกันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีเจแอจะหาเพลงอื่นๆของดวงตาคงทองมาเปิดให้ฟัง ซึ่งเพลงของเธอเนี่ยเพราะมะอยากเจอคนจริงใจเต็มใจรอหัวใจหญิงหมนสะดอกเคราะใจผู้หญิงก็ทิ้งเป็นอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปฟังเพลงอยากเจอคนจริงใจแต่ก่อนจะไปฟังเพลงนั้นอยากฝากรายการแฉหมดเปลือกและอย่าลืมนะคะกดไลค์ใน Facebook ด้วยหรือจะเข้ามาดูในไลน์แอดก็มาพูดคุยกันขอเพลงกันได้นะจ๊ะ ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรู้เรื่องสุขภาพกับมุนไบร์ดํำเนินรายการโดยดีเจแอมปฐมนานแสงพลอยเจริญลูกสาวของดีเจฟ้าระชุดาหุ่นโพนะคะในวันนี้ค่ะแอมนะคะก็มาอยู่ที่บริเวณข้างถนนค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะของการที่ปัญหาโรคเส้นนั้นมีผลอย่างไรค่ะกับการที่คุณขับรถเ อ, อ้ามันเกี่ยวกันนะ จริงๆแล้วนะคะในคนที่ขับรถมากๆขับรถบ่อยๆปัญหาอย่างหนึ่งเลยค่ะที่เขาจะพบแล้วก็จะเจอนั่นก็คือเรื่องเส้นนะคะในรายของคนที่ขับรถมากๆขับรถเยอะๆเนี่ยเส้นขาเนี่ยจะจมตปวดร้าวไปตั้งแต่หลังกอกขานะคะแล้วก็ตึงน่องสุดท้ายชาเท้าเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณขับรถมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือการพักเท้าไว้นานโดยเฉพาะรถยนต์ประเภทที่เป็นเกียร์กระปุกเนี่ยนะคะมันใช้ขาทั้งสองข้างเยอะมากพอเราเหยียบคัด เ, เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะคะมันก็ต้องใช้ขาในการเกรงมันเหมือนลักษณะว่าเอาขาในยื่นออกไปแล้วก็เกรงขาตลอดเวลาเมื่อคุณเกรงขาตลอดเวลาปัญหาที่ตามมาก็คืออาการเส้นติดเมื่อเส้นติดมากๆนะคะแล้วรักษาไม่ถูกวิธี สุดท้ายนะคะเส้นมันจะจมแล้วก็ชาเทา้าและไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเด็กวัยรุ่นนี่ล่ะก็เป็นได้ถ้าใช้ขาเยอะๆทางที่ดีนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะก็ควรจะใช้นะคะน้ำมันคลายเส้นทาเพื่อยืดเส้นตรงบริเวณจุดที่ปวดหรือถ้าท่านใดนะคะมะีปัญหาหนักมาก ควรจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไข่เส้นร่วมด้วยนะคะจะทําให้ตัวเส้นเนี่ยอ่อนนิ่มลงแล้วก็หายง่ายขึ้นนะคะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไข่เส้นของเราเนี่ยปราศจากสารหนูสารสเตียรอยนะคะสะกัดมาจากส ม, มุนไพรนับ10ชนิดค่ะจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภยัยและเมื่อทานร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล้างสารพิษพังผืดถิ่นปูนจะยิ่งดีขึ้นนะคะสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ 0-8 นหนึ่ง สา4เก้าสี่ห9เก้าเจ็ดเจ็ดศูย์ปดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดหรือศ8 8 545ปด1ปดห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าศปดปดห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าค่ะอ่ะอ่ะขับรถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อยขา ปวดหลังหรือเปล่านั้นแน่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆนานจนมือขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบแกรบไมเกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม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 ชื่อนางมยมภูลเลืองหนึ่งสองหกหมู่สิบสี่ตำบลอุดมทัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดคนคระวัน <c oughs> เป็นอะไรมาบ้างละคะ <c oughs> ก็ปวดเขา่าแล้วก็ปวดหลัง <c oughs> เป็นมานานแค่ไหนคะ <c oughs> ปวดเขา่าปวดหลังเน <c oughs> ี่ยอ๋อเป็นประมาณตักเดือนกว่ากว่า <c oughs> แล้วที่ว่าแพ้ปูนที่แขนเนี่ย <c oughs> เป็นมานานแค่ไหนคะ <c oughs> ประมาณ1ิบ้าปีอ่ะ อ๋อแพ้ปูนมาสิบห้าปีนะฮะอ่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าฉาปูนนี่จะเป็นผื่นขึ้นตลอดเวลาถูกไหมจ้าขึ้นตลอดเวลาแต่พอเลิกทำมันก็หายแต่ช่วงเนี้ยมากินแบบกินมูลไบไปเนี่ยมันหายยังแปลกใจตัวเองว่ามันหายไปยังไงปัจจุบันนี้แม้ฉาปูนก็ไม่มีอาการแพ้ปูนอยู่แล้วใช่ไหมคะจ้ะไม่ไม่แพ้ไม่คันค่ะไม่เป็นผื่นแล้ว ผื่นก็ไม่มีด่ามันแห้งมันหายไปแล้วอ๋อค่ะค่ะอ่าแล้วที่ว่าปวดหัวเข่าเนี่ยกินมูลไบนานแค่ไหนถึงเริ่มรู้ว่าดีคะกินประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี่ ร, รู้เลยนะว่ามันเบาขึ้นเลยใช่ไหมคะด่าหายปวดหลังแล้วก็เห็นหายไปเลยปวดเขา่าแล้วตอนนี้กินมานานแค่ไหนถึงหายขาดคะเนี่ยกินประมาณเดือนกว่าๆแล้วจ้ะอ๋อเดือนกว่าๆตอนนี้อาการไม่มีแล้วใช่ไหมคะ ไม่มีแล้วหายขาดไปเลยแล้วก็อแพ้ปูนนี่พอกินได้กี่วันถึงเริ่มรู้ว่าแพ้ปูนเนี่ยเริ่มดีขึ้นอะ่<ป>ะกี่วัน<ะ>สองอาทิตย์สองอาทิตย์แพ้ปูนก็หายจ้าแล้วก็กินต่อเนื่องมาเดือนกว่านี่อาการแพ้ปูนไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีขึ้นใหม่แล้วจ้าแม้ฉาบ ป, ปูนทุกวันตุ่มแพลไม่ขึ้นจ้อตุ่มแพ้ก็ไม่ขึ้นนะคะก็เลย ก็เลยมาบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังบ้างไหมคะคุณมายมะบอกเลยค่ะราคาก็ไม่แพงกินแล้วมันจะหายและมันดีมันเลยคุ้มนะคะลองใช้ดูจ้าทุกๆกคนที่คนที่เป็นน่ะขอให้มันลองใช้และจะรู้ดีว่ามันดีเลยคุ้มราคา ก็ขอขอบคุณคุณมยมมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลใบาหากท่านใดมีปัญหาเป็นรักเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าปวดหัวเข่าหรือว่าเจอสารพิษนะคะเช่นฉาบ ป, ปูนและแพ้ปูนหรือฉีดยาฆ่ายาฆา่ า, มาแมลงลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์ดหนดด ทวนเบอร์นะคะ0 8 1 3 1> 9 4 6 9ห 7, 7หรือ0885453515ถ้านท่านใดจดเบอร์ไม่ทันเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของคนถัดไปเตรียมกระดาษปากกาวไว้จดในบทสัมภาษณ<อ>์คนจะไปก็ได้ค่ะ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 เฉลี่ยวันละ20ตัวบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0813946977 7, ย้ำ081 3 9 4 6 9 7 7สข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรียำ้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม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 มันเป็นเส้นเดียวกันฮะดึงกันอยู่รังกันอยู่ถ้ามันมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแล่นถึงกันหมดเลยนะฮะต่อไปท่านก็จะเป็นโรคเส้นขาที่คือมีปัญหาขาเป็นเอ่อเจ็บปวดนะหัวเข่าต่อมาไม่นานเลยก็จะมีอาการชาเท้าตามมานะฮะดังนั้นหากท่านมีปัญหาโรคเส้นเนี่ยให้รีบรักษาเสียตั้งแต่นั้นเนินนะะหากท่าน มีอาการปวดหลังปุ๊บเนี่ยหากลงขาเนี่ยอาการเบื้องต้นเลยกกขาจะรั้งก่อนนะคะกกขาลังปุ๊บหัวเข่าก็จะย่อขัดเจ็บนะคะเวลาเดินจะขบกันดังกรอบแกบกอบแกบนะฮะแล้วถ้านานวันไปเนี่ยมันก็จะลังลงไปที่น่องนะคะหากมีอาการเส้นน่องลังเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะเจ็บในอุ้งเท้านะ คือเส้นใต้ท้องน่องเนี่ยมันจะมีผลต่ออาการเจ็บป่วยที่ใต้อุงเท้านะคะแต่ถ้าก็ท่านมีปัญหาเส้นเลาะสันนักแข้งตรงนั้นแหละค่ะจะทําให้หลังเท้าจมนะคะเส้นหลังเท้าจมก็จะมีอาการชาเท้านะคะ หากท่านมีปัญหาดังกล่าวเนี่ยลองมาสั่งซื้อน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูลใบกันดูนะคะวิธีแก้ไขนะคะให้ทานน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูลใบตั้งแต่เส้นเลาะข้างกระดูกหลังนะคะหากมีอาการรั้งใต้ท้องขาแล้วก็ใต้ท้องน้องก็ให้ทาตั้งแต่โคนขาใต้ท้องขาลงมาที่ใต้ท้องน่องถ้าหากเจ็บในอุ้งเท้าก็ทาที่อุ้งเท้าด้วยนะคะหากท่านมีอาการ ตึงรั้งที่หน้าขานะะตั้งแต่โคนขาลงมานะฮะแล้วก็มีอาการชาหลังเท้าด้วยก็ให้ทาน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยหมุนใบตั้งแต่โคนขาด้านขาห น, านะคะถ้ามีอาการย่กขัดในหัวเข่าก็ทารอบหัวเข่าถ้ามีอาการชาที่หลังเทา้าก็ให้ทาน้ามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยหมุนใบตั้งแต่เส้นเลาะสันนักแข้งตรงนั้นจะมีผลต่ออาการชาที่ หลังเท้านะคะให้ทาน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเส้นเลาะสันสนักแข้งไปที่หลังเท้านะคะก็จะหายได้นะคะหากท่านเป็นเกิน6กเดือนนะคะแนะนำให้รับประทานเส้นของมมลไบน์ร่วมด้วยก็จะทำให้หายได้เร็วขึ้นนะคะทั้งน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยโมลไบและเส้นของมมลไบนั้นสกัดจากสมุนไพรถึง20กว่าชนิดเลยนะคะเป็นสมุนไพรตัวเดียวกัน หลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้เป็นน้ํามันนี่มันคงเหนียวเหนอะหนะแต่ท่านทราบไมหมคะว่าน้ามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมุนไบนั้นไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะซึมทันทีนะคะเมื่อแห้งแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเปื้อนที่เสื้อผ้าด้วยนะคะทาแล้วซึมลงผิวในทันทีนะคะมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นนะคะแม้แต่แต่งชุดขาวก็ไม่เปื้อนเสื้อผ้านะคะและก็ สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดมากเลยน ะ, ะถึง20กว่าชนิดเลยนะคะที่จะแก้ปัญหาโรคเส้นของท่านได้น ะ, ะสมุนไพรที่สกัดใส่ลงไปทั้งในน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมือม่อยูลใบสมุนไพรที่จะยกตัวอย่างก็เช่น เทา้าเตนเป็ดเครือสพกุณแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะเสริมสร้างเส้นเอ็นให้แข็งแรงนะคะใบและดอกของต้นเทียนเกล็ดหอยนะคะแก้เส้นเอ็นอักเสบนะคะฟื้นฟูสภาพเส้นเอ็นที่พิการเนื่องจากเกิดอุบัติเหตรุรถความรถชนได้ด้วยนะคะเทายั้งดับพิษในกระดูกนะคะรักษาอาการเส้นยึดเคลื่อนไหวตัวลำบากเช่อนอมัมพฤกอัมาพาตนะคะ เท้าโคคารแก้ปวดหลังแก้ไตพิการนะคะผักหนอกแก้เมื่อยแก้ขัดแก้ปวดเส้นแก้ช้ำในนะคะไกลทองแก้อาการชามือชาเท้านะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะที่จะแก้ไขปัญหาของโรคเส้นของท่านให้าหา ย, ายได้เลยนะคะ คืออัมพึกอัมาพาตเนี่ยมันจะมีสองแบบนะฮะอัมพึกอัมาพาตที่เกิดจากเส้นตีบเส้นแตกในสมองแต่ถ้าเป็นอัมพึกอัมาพาตแบบเส้นจมนะคะคือเส้นไม่ตีบไม่แตกในสมองแต่เป็นเส้นจมเกิดจากเส้นหลังจมแล้วก็ลังลงใต้ท้องขานะฮะ อันนั้นเขาเรียกเอามาพึกอมมาพาดแบบเส้นจมก็ให้ทาน้ํามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูลใบนะคะแล้วก็รับประทานเส้นของมูลใบร่วมด้วยท่านทราบหรือไม่คะว่าเส้นหลังจมเนี่ยมันมีผลต่อกันเป็นอมมาพึกอมมาพาดมากเลยนะคะคือเส้นหลังเนี่ย วิธีสังเกตว่าจมหรือไม่นะคะปกติแผ่นหลังของเราเนี่ยมันจะเรียบนะเสมอกันน ะ, ะแต่ถ้าเส้นหลังจมเนี่ยเส้นเลาะข้างกระดูกหลังเนี่ยมันจะเป็นล่องลึกลงไปเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าอาการเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะตึงที่ใต้ท้องขาก่อนนะคะพอตึงใต้ท้องขามากๆเนี่ย มันก็จะตึงที่ใต้ท้องน่องนะคะแล้วก็จะเกิดอาการชาเท้านะคะนั่นน่ะคืออาการเบื้องต้นของอมัมพฤกษ์อัมาพาตแล้วนะคะถ้าปล่อยไว้นานวันเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นอัมาพาตนอนแบนะคะคือคนไข้จะรู้สึกว่าเดินลําบากมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็เดินไม่ได้นะคะลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะราคาไม่แพงนะคะลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์08นย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ด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 ยำศูนย์แปสมเกเจดเจด มีมุก ค, ครับบ้านเลขที่สองร้อยสิบเก้าทับหนึ่งหมู่ห้าตําบลอุดมทัญญาอำเภอตะฟาฟาจังหวัดนครสวรรค์ครับผมได้เจอเพื่อนบ้านเขาได้ซื้อเป็นน้ำมันนวดนวดขานวดตัวนี่ครับของงูลไปเลยนี่ครับผมผมก็เอามาจะให้พวกบ้านผมใช้ แล้วมันได้ผลดีผมก็ใช้ติดต่อมาตอนนี้ได้หายเดินได้ครับคือเขาได้ตึงขาเต้นขาเต้นแขนเขานี่ตึงหยิบจับอะไรไม่สะดวกครับหยิบจับอะไรไม่ได้กินข้าวกระแทบจะต้องป้อนเลยครับขาเดินไม่ได้เลยขานี่ก็ต้องอุ้มต้องอะไรนั่งเอา พุเจละปัจจวัชนีต้ต้องต้องอุ้มต้องจับทั้งนั้นเลยครับมือเขาที่ที่จับหยิบอะไรไม่ค่อยได้เลยก็หายมาเป็นปกติครั บ, บรักษามาสองปีนี่ไม่ดีขึ้นครับผมก็เลยได้มาใช้เนี่ยดีมากเลยครับนำ้นำน้มันใช้เพอแค่สามวันก็รู้สึกว่ามันคลายหายตึงหย่อนมาก็เลยติดต่อดูดในฉลากระโรไปที่ แต่ตัวแทนเขาจำหน่ายนี่ครับของของเขาดีมากเลยครับผมก็ชอบเขาเลยแล้วก็ตื้อเขาอีกสมุนไพรก็เอามากินคู่กับน้ำมันครับประมาณตัต้ค่อนปีนครับแปดเก้าเดือนนะครับ ก, ก, ก็ก็เดินได้ครับเดินได้ปกติครับเดินได้เหมือนคนธรรมดาหยิบจับไปอ า, อาหารกินได้ สมบูรณ์แล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ก็หายสมบูรณ์ก็กินได้กินข้าวเองได้กินน้ํากินข้าวนี่ถือจับยิบได้หมดผมก็โฆษณาช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาใช้กันไปหลายคนแล้วครับก็ขอขอบคุณน้ามากมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะสวัสดีค่ะน้มากครับครับสวัสดีครับขอให้บริษัทนี้ใน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 ศูนย์4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดคุณปราณีทองชื่นนี่เป็นเส้นประมาณสองปีนะคะมีอาการปวดหัวเขา่าแล้วก็ชามือชาเท้าน ะ, ะปวดบั้นเอวแล้วก็เดินไม่ได้หนึ่งปีนะฮะหลังจากที่รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเส้น ผลิตภัณ์ล้างหินปูแล้วก็ทาน้ำมันน่ะชุดแรกก็เริ่มรู้ว่าดีเลยนะะปัจจุบันนี้เดินได้แล้วนะจากที่เดินไม่ได้มาหนึ่งปีเดี๋ยวจะให้คุณปราณีทองชื่นบอกเล่า90ความประทับใจ สวัสดีค่ะคุณปาณีแนะนําชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคฉันชื่อนางปาณินทองชื่นจ้ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะที่ดีสามตัห้าหสิบเ็ด้านม่วงน้อยอำเภอตะทีจังหวัดนครสวรรค์จ้ ะ, ววย ะ, ะอยู่ตำบลอะไรคะม่วงน้อยเนี่ยตำบลหัวหวายจ้ะอ๋อตำบลหัวหวายนะคะเออเป็นเส้นมานานแค่ไหนแล้วอาการเป็นยังไงคะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะคะชามือชาเท้าแล้วปวดในต้นน่องปวดหัวเขา่าไม่ได้มาสองปี แต่พอมาทำนี้ชุดแรกก็รู้สึกว่าดีเดินได้ค่ะแล้วตอนนี้อาการชามือกับชาเท้ายังมีอยู่บ้างไหมคะก็มีบ้างเล็น้อยแต่ก็ทานชุดที่สองแม่รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เห็นว่านั่งได้ยาได้แล้วหรือคะได้ดดทำงา น, นได้แล้วจ้ะจากที่เดินไม่ได้มาอ่าเกือบสองปีหร้ อ, อยังไงคะได้ อ๋อค่ะค่ะบอกเล่า90ความประทับใจนะค่ะคุณปลาณีทองชื่นมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลใบไหมคะอ่ะสักนิดนึ่งอยาค่ะต่อไปทุกทุกคนครั้งนั้นนี้รู้สึกดีมากอยากช่วยชีวิคนได้อยาค่ะก็ขอขอบคุณคุณปราณีทองชื่นมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลใบขอกล่าวคําว่าสวัสดีกับคุณปราณีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณปลาณีจ้าจสวัสดีค่ะ ค่ะก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเส้นของมูลไบเนี่ยอ่าหากท่านมีปัญหารักเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะปวดหัวเข่าปวดหัวไมเกรนปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเกาหรือรูมาตอยหรือว่าเป็นอัมพึกอัมพาตก็ช่วยได้นะคะราคาไม่แพงนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนะ ถ้าเป็นเกิน6เดือนควรจะใช้ตัวนี้ด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ใช้คู่กับน้ํามันแก้ปวดเมื่อยด้วยนะคะน้ํามันแก้ปวดเมื่อยมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะไม่เปื้อนเสื้อผ้าทาแล้วซึมทันทีเลยน ะ, ะไม่เหนียวหนะราคาไม่แพงอย่างที่ท่านคิดเลยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือหล า, ายคนมากเลยนะคะที่เป็นโรคเส้นแล้วหายขาด เ, ย, เยอะมากเลยหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์088 5 4 5 3 5 1หสาหหทวนเบอร์นะคะ0885453515หหหหหรือ0813946 เ7้าเจ็9 4 6 9 7 7หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันนะฮะให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วคอยฟังบทสัมภาษณ์ในรายถัดไปก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตักคริวนิ้วล็อกชามือชาเทา้ากระดูกทับเส้น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 เราก็คงผิดกันทั้งสามคนส่วนของฉันนั้นผิดตรงที่คิดแบ่งใจส่วนของเขาอาจโดนข้อหาผิดที่ไปแย่งชิงความรักของใครส่วนเธอก็คงผิดตรงรักคนไม่ซื่อสัตย์ถ้าวันนั้นฉันจะเข้ากับเธอพร้อมๆ คงใจได้าัิเมื่อวันนั้นตกลองกับเธอมาเจอเขาทีหลังก็ลายอึดอัดไม่ว่าตัดเขาหรือเธอก็ทำไม่งาย เขาก็กลายเป็นคนไม่ดีโจทย์นี้ตอบข้อไหนก็คงจะผิด เขาก็กลับ น, นี้ดิฉันอยู่ในช่วงมูลไบสัญนจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบมาสัมภาษณ์คุณสบายแก้วชโยนะคะซึ่งอยู่ที่ บ้านหนองลาดตำบลหนองโพอเภอตะเคีนะคะซึ่งคุณสบายเนี่ยปวดหัวเข่ามาประมาณ5ปีนะคะใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบแล้วปัจจุบันนี้อาการแทบจะหายเลยนะคะมีนิดหน่อยแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณสบายแก้วชัยโยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชั้นชื่อนางสบายแก้วชัยโยค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งหหมู่หค่ะตำบลหัวหวายอเภอตะเคีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเอ่อไม่ทราบว่า คุณสบายแก้วชโ ย, ยนี่เป็นอะไรมาะคะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะปวดเขา่าปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยปวดพวกเข่าเป็นมานานแค่ไหนคะเป็นมาห้าปีแล้วคะ่ะหปีนะคะเห็น เห็นว่านั่งยองๆไม่ไม่ ไ, มไหวเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบด้วยการทา น, น้ํามันแก้ปวดเมื่อยมูลไบแล้วก็ทานอาหารเสริมเส้นของมูลไบรวมทั้งผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนเนี่ยนานแค่ไหนคะถึงเริ่มรู้ว่าดีนะคะเพิ่งกินได้แค่ไม่ถึงร้อยแคปซูล น, นะคะไม่ไม่ถึงไม่ยังไม่หมดร้อยแคปซูลแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะก็เบาคะ่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้ทํางานหนักได้เหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมค่ ะ, อ, ะอาการแทบจะไม่มีแล้วถูกไหมคะเห็นบอกรักษามาทั่วเหรอคะรักษามาทั่วค่ะกินยาปวดเมื่อยมาทั่วเลยแล้วก็มากินบูนใบเนี่ยดีรู้สึกว่าดีมากก่อนหน้านั้นใช้หลายๆตัวก็ไม่เบาเลยเหรอคะค่ะไม่เบาไม่หายแค่กินก็แค่บรรเทาเลิกกินก็เป็นอีก ปวดเมื่อยแต่นี่ผลิตภัณฑ์มูลใบนี่เห็นหมดมาหลายวันแล้วใช่ไหมตอนค่ะหมดมาหลายวันลหมดมาหลายวันก็ยังไม่มีอาการถูกไหมคะยังไม่มีอาการค่ะก็เลยประทับใจนะคะจึงมาบอกเล่า90ความประทับใจก็เห็นคุณสบายแก้วฟังรายการดิฉันจากขึ้นวิทยุใช่ไหมคะค่ะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคะว่าผลิตภัณฑ์มูลใบดีอย่างไรบ้างเลยคะ่ะดีมากเลยคะ่ะกินแล้วก็หายปวดเมื่อยรู้สึกมันโลง่งเนื้อโลงตัวไปหมดแหละดีคะ่ะ ดีมากค่ะขอขอบคุณคุณสบายแก้วเโยด้วยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบหากท่านใดมีปัญหาเป็นโรคเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าวปวดหัวเข่าวปวดหัวไมเกรนปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเก้าหรือรูมาตอยลองมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มูนไบกันดูนะคะสามารถแก้ปัญหาเส้นของท่านได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะส่วนน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูลไบก็ราคาไม่แพงะคะ่ะสําหรับในช่วงนี้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 จำศูนย์ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดจริงของคุณขวัญดาวสมชัยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณขวัญดาวสมชัยแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะค่ะชื่อขวัญดาวสมชัยค่ะบ้านเลขที่หนึ 1. 1> ่งร้อยเก้าทับหนึ่งอาบ้านเลขที่หน <60 4. S 1> ึ่งร้อยเก้าทับหนึ่ง ค่ะหมู 14, หม่14ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ่าหนึ่งร้อยเก้าทับหนึ่งหมู่14ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะค่ ะ, คะอะคุณขวัญดาวสมชัยนี่อาชีพนี่เป็นอะไรคะเป็นข้าราชการครูค่ะอ๋อเป็นข้าราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนะค่ะแล้วเได้รู้จักกับมูลไร์ได้ยังไงอ่ะคะ่ะ ก็แม่เขาฟังเอฟเอ็ะค่ะแล้วก็จดเบอร์ให้โทรสั่งให้หน่อยอแล้วบางทีวันเสาร์วันอทิตย์เอารูปนอนนะคะรูปต้องฟังเพลงก็เปิดเอฟเอมไปด้วยอ๋อก็เลยได้ฟังวิทยุด้วยได้ฟังวิทยุด้วยค่ะค่ ะ, คะแล้วสอบถามนิดนึงอาการของคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรมาะคะแม่เขาจะปวดที่เท้าอะค่ะปวดที่ส้นเท้าค่ะแล้วก็บางวันคือ ทำงานเมื่อยอะไรเงี้ยเขาทาน้ํามันเขาก็แบบเขาบอกรู้สึกโลง่งสบายอะไรเงี้ยเบาตัวเงี้ยค่ะอืมปวดส้นเทา้าทานน้ำมันก็เบาตัวแล้วดีขึ้นถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วคุณแม่นี่ปวดส้นเท้ามากี่ปีแล้วอะคะแม่เขาเพิ่งบ่นให้ฟังปีนี้อะคะ่ะอืว่าปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่พอปีดีอ ะ, ค, ะค่ ะ, คะเห็นคุณแม่ใช้ไปแล้วดีขึ้นแหละคะ่ะเล่าอาการให้ฟังค่ะ ก็แม่ใช้แล้วแม่เขาดีขึ้นเขาก็แนะนําแล้วพอดีแฟนก็เป็นหอเขาวินิจฉัยว่าเป็นอ่าอะไรอ่ะเหมือนจะกระดูกทับเส้นแต่เป็นอาการเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้เป็นนะคะก็แม่เขาก็ให้ใช้ค่ะให้แฟนใช้แฟนใช้ก็เขาก็ดีขึ้นตอนนี้ก็คือโอเคดีไม่มีอาการปวดแล้ว่ค่ะอ๋อแฟนใช้ก็ดีอ่าไม่มีอาการปวดค่ะแล้วก็ไปแนะนําให้นะอีกสอคน นะสองคนนั้นเขาก็ปวดค่ะเขาจะปวดช่วงช่วงหลางช่วงสะโพกลงไปอะค่ะค่ะนายก็แนะนำให้กินแล้วก็น้ํามันให้ทาค่าะแล้วนะาเขาเขากินชุดเล็กไปชุดหนึ่งแล้ ว, ลวเขาบอกว่าเออเดี๋ยวลองลองขอลองชุดใหญ่อีกสักชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราเห็นบอกว่าเออคนแถวบ้านเนี่ยที่เป็นมา<ะ>มีเขาบอกมีพอทำความรู้จักามาผลักใช่เขาเป็นเอามาพลกเขาใช้ชุดเล็กแล้วดีขึ้นเลยเหรอคะ ใช่ค่ะเขามาเล่าให้น้าฟังแล้วนะ้าเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งอะค่ะนะ mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยใช้ไอ้ตัวเนี้ยน้ำมันเนี่ยทาเป็นอัมาพึ่งมาแต่ไม่รู้เป็นมานานแค่ไหนแต่แบบเขาบอกเขาใช้แล้วเขาเดินได้อ่ะท mm ุก hmm. วันนี้ก็คือไปไปทําทํานาทําอะไรโอเคใช่ได้ปกติอะค่ะแล้วส่วนตัวคุณสมขวัญดาวเองอค่ะมองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบร์เนี่ยเป็นยังไงคือ ถืเรียกว่าอะไรอะ่ะราคาสูงไปไหมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่หลายๆคนรอบตัวเราใช้แล้วดีขึ้นนะคะจริงๆในในราคาชุดเล็กถือว่าไม่แพงนะคะใช้แล้วแบบมันดีขึ้นภายในชุดเล็กจ้ะค่ะถือว่าโอเคเลยแล้วเมื่อตอนนั้นหนุ่บนปวดขาเหมือนกันแม่เขาเลยอ่าเราเอาไปทาทาก็รู้สึกแบบเออเหมือนขาเบาโล่งเหมือนกันนะคะอใช้เองก็ยังว่าเออใช้แค่ครั้งเดียวนะครั้งแรกครั้งเดียวทาทีเดียวอ่ะยังวาเออดีขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไม่แพง อืมแล้วในกลุ่มลูกค้าที่บางคนฟังแล้วเขายังไม่ตัดสินใจเพราะกลัวว่าเอ๊ะมันจะได้ผลจริงอย่างที่คนอื่นเขาว่าไหมอาจจะได้ผลแบบอาจจะโดนหลอกมาเยอะอะเลยกลัวมีอะไรจะฝากบอกอะ่ะพวกเขาว่าคะก็น่าลองนะคะเพราะว่าขนาดหนูใช้เองแค่ครั้งเดียวอะยังรู้สึกว่าดีขึ้นอะเบา เพราะว่าอย่างเราเป็นครูยืนสอนเดินทั้งวันอะไรเงี้ยกลับไปบ้านบ่นเมื่อยแม่เขาก็เอาเอาไปนวดอะไรอย่างเงี้ยแค่ครั้งเดียวอ่ะค่ะก็คือดีแล้วอะค่ะก็หน้าหน้าทดลองใช้อ่ะค่ะแค่ชุดเลยก็โอเคแล้วค่ะอืมมันพิสูจน์ได้ด้วยตัวสินค้าของตัวเองด้วยคุณโคใช้เองด้วยเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณขวัญดาวสมชัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาบอกเล่าถึง เรื่องเราเกี่ยวกับคุณแม่แฟนตัวเองแล้วก็นะ้าแล้วก็เพื่อนที่น้านรู้จักนะค ะ, ะคือทุกคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรแล้วดีขึ้นหมดเลยค่ะพ า, า, ารายการมูลไบรต้องขอขอบคุณคุณขวัญดาวมากๆค่ะค่ะ ทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใท่ชุดน้ำมันมูลไบรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งสเกสหเกเจดเจยำหนึ่งสามสห